ธรรมาบทแปลเรื่องที่เจดบเรื่องพระมหากัจจายนะเถรรภาคที่สเรื่องที่หของวรรคที่เจ็ดอรหันตวัควนน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในบุพารามทรงปรารบพระมหากัจจายนะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสิ้นดริยานีเป็นต้นความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่งพระศาสดาอันพระสาวกหมใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งหน้าภายใต้ประสาทของมิคารมามดาในวันมหาปวาราณาในสมัยนั้นพระมหากัจจยนะเถระอยู่ในอวันตีชนบทก็ท่านนั้นมาแล้วแม้แต่ที่ไกลย่อมยกย่องการฟังธรรมนั้นเทียว เพราะฉะนั้นพระเทราผู้ใหญ่ทั้งหลายเมื่อจะนั่งจึงนั่งเว้นอาสนะไว้เพื่อพระมหากัจจยนะเทระเท้าสักกรเทราชเสด็จมาจากเทวโลกทั้งสองพร้อมด้วยเทพบริษัทธทรงบูชาพระศาสดาด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้อันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วประทับยืนอยู่ไม่ได้เห็นพระมหากัจจยนะเถระ จึงทรงรำพึงว่าเพราะเหตุอะไรหนอแลพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้าพึงมาการมาของท่านนั้นเป็นการดีแลพระมหาเถระมาแล้วในขณะนั้นนั่นเองแสดงตนซึ่งนั่งแล้วบนอาสนะของตนนั่นแลเท้าส ก, กัทอดพระเนตรเห็นพระเถรแล้ว ทรงจับข้อเท้าทั้งสองอย่างมั่นแล้วตรัสว่าพระพูธเป็นเจ้าของเรามาแล้วเนอเราหวังการมาของพระพูธเป็นเจ้าอยู่ทีเดียวดังนี้แล้วก็ทรงนวดเท้าทั้งสองของพระเถระด้วยพระหัตถ์ทั้งสองบูชาด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไหว้แล้วได้ประทับยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่ง ปิฆุตทั้งหลายพูนทนาว่าเทา้ากสกะทรงเห็นแก่หน้าจึงทําสการะไม่ทรงทำสการะเห็นปานนี้แก่พระสาวกผู้ใหญ่ที่เหลือเห็นพระมหากัจจายนาเถีระแล้วจับข้อเท้าทั้งสองโดยเร็วตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาดีหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทีเดียวดังนี้แล้ว ทรงนวดเท้าทั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองโบชาแล้วไหว้แล้วประทับยืนอยู่แลส่วนข้างหนึ่งพระศัสดาทรงสับถ้อยคาขอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีทวารอันตนคุ่มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเช่นกับด้วยมหากัจจายนะผู้บุตรของเรา ย่เป็นที่รักของเหล่าเทพเจ้านั่นเดียวเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่ายะสิ้นดริยานิสมาทั่งเกตานิอัสสายา่าสารถินาสุดันตาปหีนะมานะสะอนาสวัสะเดวาปิตัสะปหิยันติตาดิโนติ อินทรีย์ทั้งหลายของภิกษุใดถึงความสงบแล้วเหมือนม้าอันนายสารถีฝึกดีแล้วฉะนั้นแม้เหล่าเทพเจ้าย่อมกระหยิมต่อภิกษุนั้นผู้มีมานะอัลละแล้วผู้หาอาสวะไม่ได้ผู้คงที่แก้อัดเนื้อความแห่งพระคถานั้นดังนี้อินทรีย์หของภิกษุใด ถึงความสงบคือความเป็นอินทรีย์อันตนทรมาแล้วได้แก่ความเป็นอินทรีย์หมดพยศร้ายเหมือนม้าอันนายสารถิผู้ฉลาดฝึกดีแล้วฉะนั้นต่อภิกษุนั้นผู้ชื่อว่ามีมานะอันละแล้วเพราะมานะมีอย่าง9ก้าดำรงอยู่ผู้ชื่อว่าหาอาสวะมิได้เพราะไม่มีอาสวะสี่ บทว่าตาดิโนความว่าทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมกระยิมคือย่อมปราถนาการเห็นและการมาของภิกษุผู้เห็นป่านนั้นผู้ดารงอยู่โดยภาวะแห่งผู้ของที่ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แล เรื่องพระมหากัจจยนะเทระ